การสแสวงหาพระพุทธเจ้าก็ตามสแสวงหาพระอรหันต์ก็ตาม สแสวงหามักผลนิพพานก็ตามอย่าไปสแสวงหาที่ที่มันไม่มีสแสวงหาในตัวเรานี้ให้เราทำความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอนี่แหละจะรู้จะเห็นหลวงพ่อเทียนจิตตะสุโภ พระพุทธองค์ท่านเคยตรัสสอนไว้ว่าการแสวงหาที่ประเสริฐที่สุดนคือแสวงหาความไม่เกิดความไม่แก่ความไม่เจ็บและความไม่ตายสิ่งเหล่าเนี้ยมันมีอยู่แล้วในตัวเราแสวงหาที่ตัวเราเราจะเข้าใจถึงชีวิตสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐคือแสวงหาทางแห่งความพ้นทุกข์นั่นเอง ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบแสวงหาสิ่งภายนอกมามากแล้วทีนี้เราลองมาแสวงหาตัวเองบ้างมองภายนอกอย่าลืมมองตัวเองทําสิ่งข้างนอกอย่าลืมทําสิ่งภายในที่มีอยู่แล้วในตัวเราเราจะแสวงหาพระอริยะเจ้าไม่ใช่แสวงหาแต่สิ่งอื่นบุคคลอื่นเนี่ยรับรองอาจจะไม่เจอของจริงนะพระอริยเจ้านั้น หาได้ที่ตัวเรานะจะเป็นของจริงเราจะมีความมั่นอกมั่นใจวันนี้ละพระอริเจ้ามีจริงถ้าไปดูภายนอกอาจจะถูกหลอกก็ได้ต้องดูที่ตัวเราชีวิตของเราความรู้สึกของเรากายจิตของเราที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่แหละเป็นของเราของเราเนี่ยมันมีจริงไหมเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าเราบังคับบัญชามันได้บ้างไมตรงไหนบ้างมีทุกข์หรือมีสุข มันเที่ยงแท้แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงดูลงไปให้ชัดๆให้รู้ชัดสิ่งเหล่านี้ที่ตัวเราในเรื่องชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามา้ากเป็นเรื่องตัวเราเลยก็ว่าได้ชีวิตเนี่ยมีไว้เพื่อการเรียนรู้รู้จักชีวิตให้เข้าใจชีวิตเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องหมดปัญหาชีวิตไม่ชเรื่องการต่อสู้ แต่เป็นเรื่องการเรียนรู้ให้เข้าใจเราจะเรียนรู้ชีวิตได้นั้นต้องเรียนรู้จากความทุกข์ทุกขของกายทุกขของจิตที่เกิดขึ้นที่ตัวเรานี่แหละ เ, เรียนรู้ทุกมันก็จะพ้นจากความทุกข์ได้ความสุขทั้งหลายจะหาได้จากความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยไอเดียความสุขที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรารู้จักตัวเรารู้ทันตัวเราเ มันก็จะมีความสุขไปเองพระอริยเจ้าทุกรูปทุกองค์ท่านก็พ้นจากทุกขได้ก็เพราะว่ามารู้จักทุกถึงขนาดในเบื้องต้นของชีวิตของท่านเนะี่ยร้วนแต่มีความทุกข์บีบคั้นท่านยังออกสแสวงหาทางดับทุกขนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นจนตั้งถึงอริยาสาวกในรุ่นหลังๆนะก็เดินทางสายนี้ถึงขนาดทำให้เขา้าใจเรื่องความทุกขเหตุ ข, ของความทุกข และความพนทุกข์และวิธีการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็เรียนรู้ได้จากตัวเราเป็นเรื่องของเราแท้ๆอย่างเช่นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเราความป่วยไข้อ น, นี้สําคัญมากความป่วยไข้ซึ่งทุกๆท่านเนี่ยย่อมมีอยู่เป็นเรื่องธรรมดานี่แหละเป็นสิ่งที่เราเ ร, เรียนรู้ได้ง่ายๆเลยความป่วยไข่เนียที่จริงแล้ว มันเป็นอยู่กับเรานานๆก็ดีนะระมอในแง่ดีดิความป่วยไข้มาทำให้เราฉลาดยิ่งป่วยนานๆนเนี่ยเราจึางเรียนรู้ในดันๆรู้อย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดด้วย<ไป>บางคนบอกว่าเออเขาเพิ่งรู้จักตัวเองเมื่อตอนเขาป่วยไข่เองรู้จักตัวเองเมื่อตอนไปไหนไม่ไดเ้เข้าใจชีวิตเห็นสัจธรรมของชีวิตเลยยิ้มแย้มเจ่มายเมื่อยามป่วยไข้เพราะว่า เริ่มรู้จักและเข้าใจตัวเองลึกซึ้งยิ่งขึ้นอันนี้มีนะทําให้เราฉลาเดเแต่ก็ทาให้เรารู้ว่าไอ้ความเจ็บป่วยนี่มาจากอะไรสาเหตุมาจากอะไรเราจะใช้ชีวิตไม่ถูกต้องกันได้การกินการนอนการออกกำลังกายอาจจะไม่ถูกต้องบางทีมีความเจ็บป่วยท่าร่างกายเกิดขึ้นเรืออาจจะจากการควบคุมอารมณ์เรื่องของจิตใจอาจจะเป็นสาเหตุ แตื่นนอนมาก็ทุกข์ก็เครียดขณะทำอาหารก็ทุกข์ก็เครียดการทํางานมีเรื่องความทุกข์ความเครียดไม้มีความเพลิดเพลินแม้กระทั่งเวลาเราหลับก่อนจะหลับยังทุกข์ยังเครียดโอ้าอย่างนี้แล้วก็หนีได้พ้นเรื่องความป่วยไข้แน่นอนเราเริ่อมมองเห็นสาเหตุอาจจะใช้ชีวิตไม่ถูกต้องรู้สาเหตุของความป่วยไข้เราควรจะฝึกนะฝึกใช้ชีวิต อยู่กับความป่วยไข้ของทางด้านร่างกายโดยที่ใจไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันน่าฝึกนะตรงเนี้เพราะแบบฝึกมีอยู่แล้วห้องฝึกห้องเรียนมีอยู่แล้วคือกายของเราเนี่ยเราลองมีสติอยู่กับร่างกายที่มันป่วยไขย้โดยที่ใจไม่ต้องเป็นทุกข์น่าลองเยเราจะป่วยแค่นี้เราทนได้ไหมถ้ามากกว่านี้จะทำอย่างไรไเราฝึกไว้จากการป่วยไข้เล็กน้อยเจ็บเล็กน้อ ย, นอ ย, นอยเนี่ยว่ามันเป็นโอกาสดีนะ โอกาสที่ทำให้เราเกิดปัญญาเด่น้อยว่เราได้รู้จักว่านี่แหละโอกาสของเราแล้วเป็นเวลาที่เราได้ดูแลรักษากายของเราอยา่างเต็มที่เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยแต่ยัง้นก็ตามเมื่อเกิดการเจ็บไข้เดศป่วยแล้วเราต้องรู้จักอดทนเราอดทนเนี่ยถ้าก็ว่าเราได้ปฏิบัติธรรมนะอดทนต่อทุกขเวทนา ที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกายฝึกความอดทนความอดทนความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเป็นตัวปฏิบัติธรรมแท้ๆเลยความอดทนลแล้วก็ต้องรู้จักทนได้ผมได้เคยพูดไปแล้วว่าเราจะอดทนต่อทุกเวทนาอย่างไรบ้างในดาวมีทีไปแล้วหลายครั้งเรื่องของการวางจิตวางใจอย่างไรเมื่อร่างกายมีความทุกข์เคยพูดไปแล้วอาจจะใช้วิธีการ บริกรรมกแหหรือสวดมนต์ร้องเพลงทำจิตทำใจมันสดชื่นวิธีการสมาะมันถึงทำสมาธิเพื่อกดข่มทุกขเวทนาก็เคยแนะนำไปครั้งหนึ่งจำได้จำได้ไหมถ้านูน้ชแต่ว่าวันนี้นี่ก็จะแนะนาวิธีการจเจริญสติท้ามการทุกขเวทนาด้านร่างกายแล้วก็จิตใจสิ่งไรก็ตาม เมื่อเกิดการเจ็บให้ได้ป่วยแล้วสิ่งที่เราต้องอดทนแล้วเราต้องมีการรักษาการเจ็บป่วยทางกายนี่ก็ต้องเรื่องไปหาหมอน เ, นเรื่องธรรมดานะไปหาหมอให้ท่านได้ช่วยเราคุณหมอยาแล้วเครื่องมือรักษานั้นก็ช่วยได้เฉพาะร่างกายเท่านั้นแหละแล้วก็ทํหนาที่ช่วยกายไปอาศัยบุคคลอื่นอาศัยเครื่องมือ แต่พนะจิตใจนั้นเราต้องทำจิตใจให้สบายในเรื่องของผลการรักษาด้วยต้องวางจิตวางใจให้สบายๆในผลการรักษาที่จะเกิดขึ้นหลวงปู่จาท่านก็ได้บอกไว้ว่าเมื่อร่างกายจะแค่ได้ป่วยเราต้องวางใจว่าหายก็เอาไม่หายก็เอา <c ười> คือถ้าได้เป็นปกติหายก็ไม่เป็นไรไม่หายก็ไม่เป็นไร หายก็ได้ไม่หายก็ได้ใจจะเป็นปกติเนี่ย <c oughs> เป็นการวางกิบันใจแบบง่ายๆเป็นปัญญาในซามแบบเราต้องวางใจไว้ว่ายอมรับความจริงสบางรู้จักยอมรับความจริงแล้วก็รักษาไปเมื่อรักษาไม่หายหรือโรคภัยแค่เจ็บมันหายชาลงไปเราต้องยอมรับนะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับความจริง ยอมันเป็นไปสิบ้านแม้ว่าเราจะรักษาไม่หายแล้วหมายถึงว่ารักษาทุกวิธีทางมันไม่หายไม่ต้องตายแล้วต้องยอมมันเป็นไปแล้วก็ต้องยอมตายการรู้จักยอมยอมยอมในด้านจิตใจใจมันจะสงบจะเป็นปกติไม่งุดงิดไม่มุนง่านไม่เสียศูยไไนย์อะไรว่าอย่างรรู้จักยอมยอมด้วยสติ อย่างรู้ตัวใจมันจะเบาจะผ่อนคลายจะเป็นการปล่อยวาง น, นะจะได้ว่าที่สุดของทุกข์มันก็จะหายไปแต่อะไรก็ตามเราต้องมีการเจริญสติการเจริญสติท่ามกลางความเจ็บไข้ทางกายแล้วก็ทางจิตวิวญานะคือเรามีความรู้สึกตัวอาจจะใช้รูปแบบใช้รูปแบบของการเคลื่อนไหวของกายผู้ที่เคลื่อนไหวได้นะ เป็นการฝึกอาจจะพลิกมือเล่นเรารู้กายไปก่อนพลิกมือหายให้รู้สึกตัวพลิกมือความให้รู้สึกตัวหรือหายใจเข้าให้รู้สึกหายใจออกให้รู้สึกกับพลิกตากระดี น, นิ้วเรามามีสติเจตนารู้ลงไปที่กายรู้กายเคลื่อนไหวเบาๆรูปแบบสบายๆแบบผ่อนคลาย แทนที่จะไปจับอยู่กับทุกขเวทนาแทนที่จะไปปรุงสร้างปรุงแต่งไปกับความคิดต่างๆแต่กลับมาตั้งรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายอย่างรู้นื ร, รู้ตัวนะจิตมันจะเริ่มวางจากทุกขเวทนาได้บางแล้วมารู้กายรู้เท่าทันกายแต่บางทีเรามาเจตนารู้กายเกินไปหรือมามุ่งอยู่ที่กายเนี่ย บางทีอาจจะไม่พ้นจากทุกขเวทนาก็ว่าได้นะเพราะมันใกล้มากทุกขเวทนากับกายมันติด ก, กันมากเราอาจจะปล่อยจิตประจัยไปจมแช่กับความทุกขทางกายก็ได้ต้องระวังคหนดีในส่วนนี้อย่าไปเพ่งอย่าเข้าไปอยู่ให้รู้เฉยๆเราอาจจะเห็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นชัดเจนจะรู้ว่าอ๋อนี่กายก็ส่วนหนึ่งทุกทางกายก็ส่วนหนึ่งเราจะเริ่มเข้าใจทุกทางกายมากขึ้น ทุกกายไม่ใช่เรื่องของกายเราเริ่มรู้ทันในทุกเวทนาทางกายแล้วที่มันแทรกเข้ามาในกายโอ้โนี่คนส่วนกันนะความเจ็บความปวดเนี่ยเราเริ่มรู้เท่าทันความเจ็บความปวดมันจะเริ่มแยกได้นะอันนี้คือกายอันนี้คือเวทนาบางทีมันเกิดความคิดคนเรานี่เวลาเจ็บไข้หดืป่วยเนี่ไม่ปวยเฉพาะร่างกายนะจิตใจก็พลอยป่วยไปด้วยปวยเพราะคิด ปรุงแต่งหลวงเทียมบอกว่าทุกกายทุ ก, กจิตทุกของรูปทุกของนามเนี่ยทุกของจิตเนี่ยคือความคิดปรุงแต่งเป็นทุกของนามเนเราต้องมีสติรวยทันในการปรุงแต่งโอ้มันปรุงคิดมาแล้วเนี่ยมันช่วยเติมให้ทุกเวทนาเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะความคิดนี่เองโอเจ้าความคิดวิต ก, กังวลกลัว กลัวมันจะเจ็บมากกว่า น, นี้กลัวมันจะไม่หายหมดทั้งกลัวตายเลยพอสุดท้ายไปกลัวตายนะนี่มันเกิดจากความคิดตั้งนั้นะเป็นนามทุกมันจะรูปทุกอะไรลยคือนามทุกคือทุกทางจิตทุกเพราะอาการของจิตใจมีสติรู้ทันในความกลัวในความคิดความไม่ตกกังวลความสับสนวุ่นวายในจิตใจความท้อแท้เบื่อหน่าย อันนี้เป็นเรื่องของจิตใจทางนั้นเป็นอาการของจิตทางนั้นเลยสติเนี่ยเราก็วางจากกายวางจากทุกขเวทนามารู้ที่ความคิดรู้ที่จิตที่ใจถ้าจิตใจเราเนี่ยเรามีสติคอยระวังรักษาไม่ปรุงแต่งไม่ต่อเติมความคิดให้มากมา ย, ยทุกขเวทนาทางกา ย, ยจะอยู่ในระดับที่เราทนได้นะที่เราทนไม่ได้เพราะว่าโอ้มันไอความคิดเข้ามาปรุงแต่งทุกทั้งกายทุกทัณจิตเลย มันจึงอยู่ในภาะวะที่ทนไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ทันการปรุงแต่งซะบ้างทุกทางกายจะอยู่ในระดับที่เราทนได้แล้วก็ใช้สติเจริญสติรู้กายรู้จิตไปเรื่อยๆจะเกิดความทุกข์ทรมานอางไรก็ตามเนี่ยให้เรารู้ทันให้เรารู้ทันไปเรื่อยๆรู้แบบเป็นผู้ดูนะรู้แบบแยกๆแบบดูๆทุกส่วนหนึ่งรู้ส่วนห น, นึ่งเนยแแยกๆกันอย่างนี้ะ เมื่ออย่างเราดูผู้อื่นดูผู้อื่นเขาป่วยเขาไข้ดูผู้อื่นเขาทุกข์แต่ไม่ใช่เราเป็นผู้ทุกข์เสียเองนะเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้รู้เท่านั้นอากาศเ่าเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจเมื่อเราอยู่ในภาวะผู้ดูเพราะว่าผู้ดูจะเกิดขึ้นในนั้นต่อเมื่อเราจเจริญสติในรูปแบบมากๆขยันจเจริญสติในรูปแบบมากๆเราอาจจะเห็นชัดเจนเห็นกายกเห็นจิตเห็นจิตชัดเจนกว่านี้อาจจะเห็นว่าเออกายเนี่ย มันก็คือผู้ป่วยนั่นเองกายคือผู้ป่วยใช่จิตคือผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นญาติคอยดูแลผู้ป่วยให้เขาดื่มน้ำให้เขาทานยาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เขาจิตทาหน้าที่ผู้ดูแลสติปัญญาเนี่ยจะทำหน้าที่นายแพทย์ใหญ่คอยให้คำแนะนำคอยตัดสินใจคอยให้กำลังใจคอยชี้ขาดบ่างคอยสอนจิตสอนใจให้ดูแลกายให้ดีนะ สอผู้ดูแลให้ดูแลผู้ป่วยให้ดีนะกายเป็นสมือนผู้ป่วยจิตใจเป็นสมือนผู้ดูแลสติปัญญาเป็นเสมือนนายแพทย์ใหญ่อาการเหล่าเนี้จะเป็นสภาวะธรรมมันจะไม่ใช่ตัวเรานะจะไม่มีใครป่วยจะไม่มีใครดูแลแล้วไม่มีใครเป็นนายแพทย์เป็นเพียงกระบวนการของธรรมชาติที่เขาทําหน้าที่เขาอย่างนั้นเห็นไหม เนี่ยเมื่อเราจะิตะสติมากๆจะเกิดปัญญานะจะรู้จักธรรมชาติความเป็น ร, รู้เท่ารู้ตันนี่แหละคือการศึกษาชีวิตศึกษาตัวเองศึกษาความทุกเรียนรู้ชีวิตได้จากความทุกก็จะรู้เท่าทันแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกขไปไหนที่สุด